สุขในสุขประนีดจนถึงสุขสูงสุดก้าวสู่ความสุขที่พระนีสูงขึ้นไปก่อนจะกล่าวถึงความสุขที่พระนีดเห็นควรแสดงความหมายทั่วไปของความสุขและความทุกข์ชนิดที่มีเป็นพื้นอยู่ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์กับความสุขอย่างอื่นๆทั้งหมดกล่าวคือครั้งหนึ่งมีปริพาชกถามพระสารีบุตรว่า อะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ในธรรมวินัยนี้พระสารีบุตรได้ตอบว่าความไม่ยินดีนั่นแหละท่านเป็นทุกข์ในธรรมวินัยนี้ความยินดีจึงเป็นสุขเมื่อไม่มีความยินดีคืออนะพิรดีก็เป็นอันหวังทุกข์นี้ได้คือแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขความสําราญ แม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ท่ามกลางหมู่พิกษุก็กไม่ประสบความสุขความสําราญเมื่อมีความไม่ยินดีย่อมเป็นอัน ห, หวังทุกนี้ได้แต่เมื่อมีความยินดีคืออภิรดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้ คือแม้เดินอยู่ก็ประสบความสุขความสําราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้อยู่ในป่าแม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ท่ามกลางหมู่พิษุกก็ย่อมประสบความสุขความสําราญเมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้ จากนี้พึงทราบความสุขประณีตในระดับตั้งแต่ชาณสศุขขึ้นไปว่ามีเขาความรู้สึกอย่างไรดังที่ท่านแสดงไว้โดยอุปมาสรุปมาพิจารณากันดูต่อไปนี้เก้าสุดท้ายก่อนจะบรรลุฌานก็คือการละนิวรห้าได้นิวรห้าได้แก่กามฉชันพยาบาททีนมิธา อุทจากขุกขจะและวิจิกิชฉาผู้ลานิวรณได้แล้วจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายและอิ่มใจเกิดขึ้นเป็นพื้นนำของการจะได้ความสุขในฌานต่อไปดังที่ท่านอุปมาไว้ห้าประการ 1. เปรียบเหมือนการเกิดความปราโมดมีสมณะชื่นชามใจ ของคนที่เคยกู้ยืมเงินคนอื่นมาประกอบการงานแล้วประสบความสำเร็จใช้นี่สินได้หมดแล้วและยังมีเงินเหลือไว้เลี้ยงครอบครัว 2. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมดมีสมณสชื่นฉ่ำใจของคนที่ฟื้นหายจากความเจ็บป่วยเป็นไข้หนักกลับกินข้าวกินปลาได้มีกำลังกายแข็งแรง 3. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทมีสมณัตชุ่มชื่นใจของคนที่พ้นจากการถูกจองจาไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องเสียทรัพย์สิน 4. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทมีสมณัตชุ่มชื่นใจของคนที่หลุดพ้นจากความเป็นทาสอาศัยตนเองได้ไม่ขึ้นกับคนอื่นเป็นไทแก่ตัว จะไปไหนก็ไปได้ตามใจปรารถนาหาเปรียบเหมือนการเกิดปราโมทมีสมณะชุ่มชื่นใจของคนมั่งมีทรัพย์ผู้เดินทางข้ามพ้นหนทางไกลกันดาลที่หาอาหารได้ยากและเต็มไปด้วยพยันตรายมาถึงถิ่นบ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีต่อแต่นั้น ก็จะได้ประสบความสุขในชาญสี่ที่ประนีตดียิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกตามลำดับกล่าวคือในชาญที่หนึ่งซึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคัตตาผู้ปฏิบัติทำกายของตอนให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบซาบซ่านโดยปิติและความสุขไม่มีส่วนใดของกายทั่วทั้งตัวที่ปิติและความสุขจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนแป้งสีกายที่เขาเทใส่ภาชนะสมฤทธิ์เอาน้ำโรมปล่อยไว้พอถึงเวลาเย็นก็มียางซึมไปจับติดถึงกันทั่วทั้งหมดไม่กระจายออกในชานที่สองซึ่งประกอบด้วยปีติสุขและเอกคัตตาผู้ปฏิบัติทำกายให้ชุ่มชื้นเออบ า, าบซาบซ่านด้วยปีติและความสุขที่เกิดจากสมาธิ ทั่วไปหมดทั้งตัวเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกที่น้ำผุดขึ้นภายในไม่มีน้ำไหลาจากที่อื่นหรือแม้แต่น้ำฝนไหลเข้ามาปนกระแสน้ำเย็นผุดผุดขึ้นจากห่วงน้ำนั้นทำให้ห่วงน้ำนั่นเองชุ่มชื้น อ, อบอาบซาบซึมเยือกเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนในชานที่สาม ซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกาคตาผู้ปฏิบัติทำกายให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านด้วยความสุขที่ปราศจากปีติทั่วไปหมดทุกส่วนเปรียบเหมือนกบัวหล่าต่างๆที่เติบโตขึ้นมาในาน้ำแช่อยู่ในน้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ยอมชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้าเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนตั้งแต่ยอดตลอดเงา ในฌานที่สี่ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคาคตาผู้ปฏิบัติแผ่จิตใจอันบริสุทธิ์พองแผ้วไปทั่วทั้งกายเหมือนเอาผ้าขาวล้วนบริสุทธิ์มานุ่งห่มตัวตลอดหมดทั้งศีรษะต่อจากความสุขในฌานสี่นี้ไปก็มีความสุขในอรูปฌานอีกสีขั้นซึ่งประณีตยิ่งขึ้นไปตามแนวเดียวกันนี้โดยลาดับ แม้ว่าชาตินสุขทั้งหลายจะประณีตลึกซึ้งดีเยี่ยมกว่ากามาสุขแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่างวิชัยความสุขที่สมบูรณ์มีพุทธพจน์ตรัสว่าในอริยวินัยคือระบบอริยะหรือแบบแผนของอริยชนเรียกกามคุณหว่าเป็นโลกหรือว่าโลกก็คือกามคุณห้านั่นเอง ผู้ยังติดอยู่ในการรมสุขก็คือติดข้องอยู่ในโลกผู้ใดเข้าถึงฌานจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามท่านเรียกผู้นั้นว่าได้มาถึงที่สุดของโลกแล้วและอยู่ณที่สุดแห่งโลกแต่ก็ยังเป็นผู้เนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตัวไม่พ้นจากโลกส่วนผู้ใดก้าวล่วงอรูปฌานขั้นสุดท้ายไปได้แล้ว เข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธและเป็นผู้หมดอสวะเพราะเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาผู้นี้จึงจะเรียกได้ว่าได้มาถึงที่สุดแห่งโลกแล้วอยู่ณที่สุดแห่งโลกและทั้งได้ข้ามพ้นโยงใหญ่ที่เหนียวพันให้ติดอยู่ในโลกไปได้แล้วคำว่าโยงใหญ่ที่เหนียวพันให้ติดอยู่แปลเอาความจากคำว่าวิสติกา ซึ่งตามปกติท่านอธิบายว่าหมายถึงตัณหาและแปลกันว่าตัณหาเครื่องข้องนี่คือการมาถึงความสุขขั้นสุดท้ายหรือสุขที่สมบูรณ์ของผู้มีจิตใจเป็นอิสระได้แก่สุขของผู้บรรลุนิพพานแล้วซึ่งรวมถึงสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติอันเป็นสุขขั้นที่สิบในรดาสุขสิบขั้นที่กล่าวถึงมาโดยลาดับ ขอบกพร่องซึ่งทำให้ฌานในสุขไม่สมบูรณ์เฉพาะที่สำคัญคือภาวะในฌานยังไม่โปร่งโล่งเต็มที่ยังถูกจำกัดมีความคับแคบด้วยสัญญาและองค์ธรรมอื่นๆที่เนื่องอยู่ในฌานนั้นๆคำบาลีเรียกว่ามีสัมภาทะยังมีความคำหนึงนึกด้วยสัญญาเกี่ยวกับฌานชั้นต่ำกว่าฟุ้งขึ้นมาในใจได้จึงยังนับว่ามีสิ่งรบกวนหรือมีความบีบเบียน คือมีอาพาธถึงแม้จะจัดเป็นนิรามิสุขแต่ก็ยังเป็นเหตุให้ติดให้ยึดเกิดความถือมั่นคืออุปาทานได้อาจกลายเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุนิพพานหรือขัดขวางความสุขสมบูรณ์ที่สูงขึ้นไปจึงยังเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพ อ, อยังต้องก้าวข้ามหรือละไปเสียให้ได้เป็นภาวะปรุงแต่ง ถูกปัจจัยทางจิต ส, สร้างขึ้นมาไม่เที่ยงแท้จะต้องดับไปตามสภาวะและเป็นภาวะเสื่อมถอยได้ลักษณะ ส, สำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาณสุขคือยังเป็นสุกระดับเวทนาหมายความว่าเป็นสุขที่เกิดจากการสวยอารมณ์หรือเสพรสอารมณ์ซึ่งเวทนาในชาญ เป็นเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งท่านถือว่าเป็นเวทนาที่มีส่วนดีหรือส่วนที่เป็นคุณมากที่สุดถ้ามองในแง่นี้ชาณสุขก็ยังมีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งกับการมาสุขคือเป็นสุขเขเวทนาโดยในยะนี้สุข9ก้าขั้นต้นจึงอาจจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกันคือสุขอาศัยการเสพรสอารมณ์